ดาราคืนคว้างลอยเหนือดวงจันทร์ดวงดาวนับพันเคว้งคว้างให้ใครชื่นชมกิ่งยญ้าใบอ่อนอ่อนนั้นดูครื้นขารมขอเพียงสายลมเพื่อเธอพักผ่นกายมาอย่าวันนี้หูไร้ายแนม ลงกายปากกาพอ ร, รู้รู้ว่ารู้คน วันนี้โหดร้ายแน่เนียนความใครพร้อมพาดวงใจเรียนรู้โลกและตัวนตนลงกายปากาพอรู้รู้วารุคนหัวใจไม่ม